หญิงสาวและสิงโตกาละครั้งหนึ่งยังมีพ่อค้าที่มีลูกสาวสามคนเขารักพวกเธออย่างสุดซึง้งโดยเฉพาะลูกสาวคนเล็กอามิเลียเธอเป็นคนโปรดของเขาวันหนึ่งเมื่อเขาต้องออกเดินทางไปทํางานเป็นเวลานาน <c oughs> เขาถามลูกๆของเขาว่าพวกเธอต้องการให้เขานําสิง่งใดกลับมาให้หนูอยากได้ชุดไข่มุกที่มีประกายสวยงาม หนูอยากได้ชดเครื่องเพลงที่ส่งประกายค่ะท่านพ่อหนูอยากได้นกในติ่งเกวที่ร้องเพลงในะอย่างงดงามโอ้ลูกพ่อพ่อสามารถหามันได้พวกเจ้าจะได้ของที่ต้องการเขากล่าวคําอำลากับลูกๆแล้วจากไปพ่อค้าซื้อไข่มุกสําหรับลูกคนโตและเพชรสาหรับลูกคนที่สองเขาค้นหาทุกที่เพื่อหานกในติ่งเกวที่ร้องเพลงแต่มันไร้ประโยชน์ทำให้เขากังวลเกี่ยวกับอมิเลีย เพราะเธอเป็นคนโปรดและเขาไม่ต้องการให้เธอเสียใจคนรับใช้ได้พาเขามายัางป่าเขาเดินไปทั่วจนกระทั่งพบปราสาทที่งดงามมีต้นไม้สูงสงอยู่ข้างๆบนต้นไม้มีนกในติงเกียวที่สวยงามกำลังร้องเพลงอย่างไพเราะอ้าในที่สุดก็ได้พบแล้วขึ้นไปบนต้นไม้นั่นแล้วเอานกในติเกียวนั่นมาเพื่อลูกสาว ขณะที่คนไทยกำลังจะไปที่ต้นไม้ออสิงโตได้กระโดดเข้ามาจากหลังพุ่มไม้และคำรามเสียงดังจนใบไม้บนพุ่มไม้สั่นสะเทือน ไกลมันกล้าขโมยนกในติแก้วของข้าข้าจะกินเจ้าจะหัวขโมยขอประทานโทษด้วยโอ้โหท่านสิงโตผู้ยิ่งใหญ่ข้าไม่รู้ว่านกนั่นเป็นของท่านได้ปลอดไว้ชีวิตข้าข้าจะทดแทนให้ท่านอย่างสมควรในความผิดของข้าไม่มีอะไรที่จะช่วยเจ้าได้นอกจากเจ้าจะสัญญาว่าเจ้าจะมอบสิ่งแรกที่เจ้าเห็นให้ข้าเมื่อเจ้ากลับถึงบ้าถ้าเจ้าตกลงข้าจะไว้ชีวิตเจ้าและมอบนกให้กับเจ้า แต่ว่าหากเป็นอมเมเลียของข้าล่ะไม่ต้องห่วงหรอกท่านมันอาจไม่ใช่ลูกสาวท่านที่จะเป็นคนแรกที่ท่านพบมันอาจจะเป็นแมวหรือว่าเป็นสุนัข ก, ก็ได้พ่อค้าถูกโน้มน้าวเขาจับนกในติงเกลและให้สัญญาแก่สิงโตและเดินทางกลับบ้านเมื่อพ่อค้ามาถึงบ้านลูกสาวคนเล็กของเขาอมเมเลียวิ่งเข้ามาหาเขาและกอดเขาแน่น หลังจากที่พบว่าเขานำนกไนติงเกลมาถ้ามีความสุขมากพ่อค้าไม่สามารถยินดีได้เขาเริ่มร้องออกมาอามิเลียลูกรักมันมีสิ่งที่ต้องจ่ายสำหรับคำสัญญาที่ให้ไว้แด่เจ้าชายสิงโตพ่อต้องส่งสิ่งแรกที่พ่อพบให้กับเขาพ่อเกรงว่าเขาจะฉีดเจ้าเป็นชิ้นๆเมื่อเขาได้เจ้าไปอยู่ในอำนาจของเขาพ่อค้าอธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้น โอ้ท่านพ่อสัญญาต้องเป็นสัญญาแล้วต้องทำตามข้าต้องไปหาเจ้าชายสิงโตไม่นะอย่าเขาจะฆ่าเจ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของข้าได้ไม่ใช่คำสอนของท่านเหรอท่านพ่อพ่อข้าผงะไปไม่ต้องห่วงท่านพ่อหัวใจของข้าบอกข้าว่าจะไม่เป็นไรและหัวใจถูกต้องเสมอนี่ก็เป็นสิ่งที่ท่านสอนพวกเราวันต่อมาอามิเลียต้องเข้าป่า ในขณะที่พ่อและพี่สาวของเธอร้องไห้โบกมือลาเธอข้าหวังว่าเจ้าชายสิงโตจะเมตตาต่อนางและพวกเราจะได้พบน้องสาวตัวเล็กอีกครั้งจริงๆแล้วสิงโตคือเจ้าชายที่ถูกสาปในตอนกลางวันเขาจะเป็นสิงโตที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับผู้ติดตามทั้งหมดของพวกเขาและในตอนกลางคืนเขาจะเปลี่ยนเป็นมนุษย์เมื่ออมิเลียมาถึงป่าถ้าถูกเมตตาและนามายัางปราสาท โดยรถม้าสีทองที่ลากโดยสิงโตเมื่ออเมิเลียมาถึงยังประสาทเธอถูกต้อนรับอย่างดีโดยสิงโตที่นำของขวัญมากมายมอบให้เดืดเอยินดีต้อนรับราชินีที่งดงามของข้าข้าเห็นว่าพ่อของเจ้าทำตามคำสัญญาของเขาและข้าดีใจที่เจ้าเป็นคนแรกที่เขาพบเจ้าช่างงดงามยิ่งนักจะเป็นเกียรติแก่ข้าหากได้แต่งงานกับเจ้าช่างเป็นเกียรติแก่ข้า แต่ข้าคงร่วมแบ่งปันความสุขให้กับท่านไม่ได้ข้าเกรงว่าท่านเป็นสิงโตทันใดนั้นแสงจันทร์ที่สาด ส, ส่องเข้ามาผ่านหน้าต่างแล้วเจ้าชายได้เปลี่ยนร่างกลายเป็นเจ้าชายรูปงามต่อหน้าเธออันที่จริงแล้วข้าเป็นเจ้าชายที่ถูกคำสาปทำให้พวกเราเป็นสิงโตในตอนกลางวันอเมเลียยิ้มออกมาอย่างมีความสุขและหลงรักเจ้าชายสิงโต มิเลียตกลงที่จะแต่งงานกับเจ้าชายและงานแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างงดงามพวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในร่างสิงโตนอนหลับตลอดทั้งวันและใช้ชีวิตในตอนกลางคืนวันหนึ่งเจ้าชายสิงโตเข้ามาหาเธอและพูดว่ามีงานเฉลิมฉลองที่บ้านพ่อของเจ้าวันพรุ่งนี้งานเลี้ยงแต่งงานของพี่สาวคนโตเจ้าถ้าเจ้าต้องการสิงโตสามารถพาเจ้าไปได้นั่นดีมากเลยเขาอยากพบท่านพ่อของข้ามาก งั้นข้าจะเรียกเหล่าสิงโตเดียวนี้และพวกเขาจะพาเจ้าไปอย่างสมเกียรติแต่เจ้าช่ของข้าข้าจะไม่ไปคนเดียวท่านต้องมากับข้าด้วยราชินีของข้ามันอันตรายเกินไปถ้าเกิดมีแสงเพียงนิดเดียวสัมผัสข้าข้าจะกลายเป็นนกพิราบและข้าต้องบินอย่างนั้นไปอีกเจ็ดปีไม่ต้องห่วงข้าจะทำให้ท่านปลอดภัยและป้องกันท่านจากทุกทุกแสงเองเลย แล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็ออกเดินทางไปร่วมงานแต่งพ่อค้าและลูกๆของเขามีความสุขมากเมื่อพบอเมเลียและยินดีที่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับเจ้าชายสิงโตพวกเขาต้อนรับเจ้าชายสิงโตด้วยความรักเจ้าหญิงมีห้องโถงใหญ่ที่สร้างด้วยผนังหนาจนแสงส่องเข้ามาไม่ได้นี่คือที่ที่สิงโตใช้พักผ่อนเมื่อยามที่คบเพลิงและเทียนถูกจุดขึ้นแต่เนื่องจากไม้สดใหม่ ทำให้มีรอยแตกเล็กๆ เ, เมื่อถึงเวลาที่คนมีคบเพลิงและแสงไฟมาจากงานแต่งงานแสงขนาดเล็กๆ เ, เ, เท่าเส้นผมส่องมาที่เจ้าชายสิงโตภายในไม่กี่วินาทีเจ้าชายสิงโตเปลี่ยนไปเป็นนกพิราบเมื่ออเมรีกลับมาเธอไม่พบใครเลยนอกจากนกพิราบนั้นที่นั่งอยู่ในอีก7ปีข้างหน้าข้าต้องบอยบินและในทุกๆก้าที่7ข้าจะทิ้งขนนกสีขาวไว และหากเจ้าติดตามมันเจ้าจะปลดปล่อยข้าให้เป็นอิสระได้เจ้าหญิงอเมเลียติดตามนกพิราบสีขาวเมื่อมีขนนกสีขาวตกลงมาทุก้าวที่7็เพื่อแสดงเส้นทางให้เธอเห็นเกือบเจ็ดปีผ่านไปอเมเลียติดตามขนนกสีขาวไปตลอดทางโดยไม่ได้พักผ่อนเออข้าดีใจมันเกือบจะครบเจปีแล้วอีกไม่นานพวกเราจะเป็นอิสระไม่มีปัญหาใดแล้ว แต่ไม่นานก่อนที่อมเมเลียและเจ้าชาจะเป็นอิสระอยู่มาวันหนึ่งคนนกสีขาวหยุดร่วงลงและอมเมเลียกังวลมากคขไม่มีใครช่วยฉันได้เจ้าหญิงอมเมเลียปีนขึ้นไปบนต้นไม้และตะกนถึงพระอาทิตย์โอ้พระอาทิตย์ท่านส่องแสงประกายไปจนทั่วตั้งแต่ยอดหุบเขาไปจนถึงดินในเมืองท่านรู้หรือไม่ก็จะหานพิราบได้ที่ไหนอ้ยเด็กน้อย ข้าไม่เห็นนกพิราบสีขาวแต่นําหีบเล็กๆนี้ไปและใช้มันยามที่เจ้าต้องการขอบคุณท่านมากเจ้าหญิงอเมรียเดินต่อไปและมองหาเจ้าชายจนดึกดืนเมื่อพระจันทร์ทอแสงเธอถามพระจันทร์ว่าโอ้พระจันทร์ที่งดงามท่านส่องแสงทั้งคืนเหนือทุ่งนานและผืนป่าท่านเห็นนกพิราบสีขาวบินผ่านมาบ้างไหมไม่ข้าไม่เจอแต่เอาไข่นี้ไป กระเทาะมันให้เปิดยามที่เจ้าต้องการเจ้าหญิงเอเมรียาขอบคุณพระจันทร์และออกตามหาเจ้าชายมันลมยามค่าคืนพัดผ่านมาเธอถามว่าท่านพัดผ่านท่ามกลางต้นไม้และใบไม้ท่านเห็นนกพิราบสีขาวบินผ่านมาบ้างไหมข้าเคยเห็นนกพิราบสีขาวมันบินออกไปทางทะเลแคสเปียนมันได้ขึ้นร่างเป็นสิงโตและกําลังต่อสู้อยู่กับมังกรที่เป็นเจ้าหญิงที่ต้องคําสาบมีนามว่า เอสทีเรียนี่คือไม้เท้าวิเศษไปที่ทะเลแคสเปียนและชี้ไปที่มังกรแล้วพูดว่าอ布 a คาด r a หลังจากนั้นสิงโตจะควบคุมมังกรได้แล้วพวกเขาจะคืนร่างเป็นมนุษย์ถัดไปเจ้าจะพบกรฟฟินที่มีปีกอันสง่างามที่อาศัยอยู่ข้างๆทะเลแคสเปียน กระโดดขึ้นบนหลังของมันพร้อมกับเจ้าชายคนรักของเจ้ามันจะพาเจ้าข้ามทะเลกลับมาปล่อยไม้เท้าวิเศษเมื่อมาถึงกลางมหาสมุทรแล้วมันจะเกิดต้นไม้สูงซึ่งจะบอกทางให้แกกริฟฟินเพื่อช่วยนำทางข้ามทะเลอามิเลียขอบคุณสายลมแล้วออกเดินทางเมื่อมาถึงทะเลแคสเปียนเธอพบซิงโตกำลังต่อสู้อยู่กับมังกรเธอรีบนำไม้วิเศษออกมา แล้วชี้ไปยังมังกออรอ布拉คาดา布拉เวทมนตร์จากไม้วิเศษตีมังกรและมันตกลงสู่พื้นเจ้าชายสิงโตวางอุ้มเท้าของเขาไว้บนหัวของมังกรและกลับร่างสู่ร่างมนุษย์มังกรกลับสู่ร่างมนุษย์ของเธอนั่นก็คือเจ้าหญิงเอสเทเรียขณะที่พวกเขาเป็พิจารณาเจ้าหญิงเอสเทเรียมองดูเจ้าชายสิงโตและตกหลุมรักทันที เธอจึงร่ายเงินใส่เจ้าชายเจ้าชายอยู่ในอ้อมแขนของเธอและหายตัวไปในทันทีไม่เจ้าหญิงเอเมมเลียร้องไห้หาเจ้าชายคนรักของเธอหลังจากนั้นสายล ม, มนอ่อนโยนได้พัดผ่านมามอบความใกล้กับเธอข้าจะตามไปทุกที่ที่มีสายลมและข้าจะค้นหาตราบเท่าที่พระอาทิตย์ตกดินและขึ้นเหนือขอบฟ้าจนกว่าข้าจะได้พบเจ้าชายของข้า เธอกระโดดขึ้นบนหลังของกริฟฟินและตามทิศทางของสายลมเธอไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปราสาทที่ลมหยุดพัดอเมเลียเข้าใจว่านั่นต้องเป็นที่ที่เจ้าชายของเธออยู่เธอขอบคุณกริฟฟินและเข้าไปในปราสาทเมื่อเธอพูดคุยกับคนในอนาณาจักรพวกเขาบอกว่ากำลังจะมีพิธีฉลองการแต่งงานของเจ้าชายและเจ้าหญิง ออสวรร์ส้องปรดค่าด้วยทันใดนั้นอมิเลียเปิดหีบที่พระอาทิตย์มอบให้และมันออกมาเป็นชุดเดรสที่งดงามราวกับดวงอาทิตย์เองเธอเปิดไข่ที่พระจันทร์มอบให้ด้วยมันออกมาเป็นไก่สีทองเธอเข้าไปในปราสาทสวมชุดและถือไก่สีทองทุกๆคนมองเธอด้วยความตกตะลึงแม้กระทั่งเจ้าสาว เจ้าหญิงเอสเทียรู้สึกทึ่งในชุดของอเมเลียและไก่ทองนางจึงเข้าไปหาเธอทันทีชุดนี้เงือกหนักมากๆเลยเขาต้องการซื้อมันมาพร้อมกับไก่นั่นอาจจะได้นะท่านยอมให้ข้าเข้าไปคุยกับเจ้าบ่าวที่ห้องของเขาในคืนนี้เจ้าหญิงเอสเทเรียลังเลแต่เธอก็อยากได้ชุดและไก่นั่นจนในที่สุดเธอก็ยินยอม ในคืนนั้นเธอสั่งให้มาหาดเล็กวางยาให้เจ้าชายสิงโตนอนหลับเจ้าชายที่อยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงพึมพำและจากนั้นเขาจึงถามมหาดเล็กเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดมหาดเล็กสารภาพกับเจ้าชายว่าเขาได้รับคำสั่งให้วางยานอนหลับในเครื่องดื่มขณะที่เจ้าชายจะต้องอยู่กับเด็กสาวในห้องคืนนี้เทเครื่องดื่มและเก็บไว้ที่ข้างเตียงของข้า คืนนั้นเมื่อดวงจันทร์ทอแสงเจ้าหญิงอมเมเลียถูกพามาพบเพื่อคุยกับเจ้าชายเจ้าชายสิงโตกแกล้งทำเป็นหลับ7ปีที่ข้าติดตามท่านขณะที่ท่านบินไปทั่วโลกข้าเคยพบกับพระอาทิตย์ดวงจันทร์และสายลมเพื่อตามหาท่านข้าช่วยท่านให้กำรบบาบมังกรท่านจะลืมข้าหรอตอนนี้เขาจำเสียงของพระยาที่รักได้ทันที นี่เป็นครั้งแรกที่ทําให้ข้ารู้สึกเป็นอิสระอย่างแท้จริงทุกอย่างมันเหมือนความฝันเจ้าหญิงแอตเทียรียเสกคาถาให้ข้าลืมเจ้าความรักของข้าแต่ว่าความรักของเจ้าช่วยคลายคํำสาบนั้นโออเจ้าชายของข้าข้าแทบพลิกแผ่นดินตามหาท่านในที่สุดข้าก็ได้ท่านกลับมาเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ก่อนที่เจ้าหญิงแห่งคํำสาบจะพบเรา แล้วเจ้าหญิงออกจากประสาทยังเงียบๆเบพราะกลัวว่าจะโดนเจ้าหญิงเอสเทียจับได้พวกเขาขี่กริฟฟินข้ามทะเลแคสเปียนและพามายังปราสาทในป่าของพวกเขาเมื่อพวกเขาถึงบ้านสิงโต ท, ทุกตัวเปลี่ยนเป็นมนุษย์อีกครั้งและพวกเขาก็ปลื้มปปติเจ้าชายสิงโตไม่สามารถตอบแทนเจ้าหญิงอมเลียได้เพียงพอเขารักเธออย่างหมดใจสำหรับความมุ่งมั่นของเธอและนั่น ทำให้พวกเขากลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข